วัดเบญหาญยิ่งเันคโบรลนึะไ้เห็นเราโอะไรว่าชาตเราด็กก็รูได้ดูองที่ตัเดตเรี่อไห ผู้บรหรเป็นอย่ผู้ให่มากปาคือตูหันกูมันเป็นยังไงไม่ได้มีอะไรใครมาคือตัวูหันก็เป็นก็ตรงนี้บิวนี้ตีอะไรนะสาวะาสลับ้นตูหกูเนี่ยอาเลยเยก่งาบห อาเจลูราฮ์บูเราคาราโอโจโบราซาชาลามาได้เหรอต้องต้รงต้องต้องไปสักห่อยโอโคราซาอาจลโวราอาปาโอเลอเอร์ดิอาร่โอได้รอลมาลงมาลงมาโก้สีนินนดลงมาเดี๋ยวไปรับเขา ลงมาเลยเจ้าไม่ได้เจ้าไงบางทีขาหลอนใส่หลอนได้ใส่หรนบาตีเอ้ยอเป็นมาตีขนนี่ดีต่ลวเป็นยังไงตืนไหน้คนก็จะได้มาดูเลยมีอะไรถืได้ลร ตบน่อมองไงนี่ลยตอันนีดวนอต่อน้องเด้อฮัลโหลไรีฮัลโหลออูนี่ไหสนมเนเดี๋ยวจะทุบตไม่เอาละอ้ต้มนตู้หนละหมูหลงทั้นี้คนงนต้องตู้นี้เลย คุณคุณบุมาดัวได้ดัวได้มาแล้วมาอ่ะนะบุกขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้ ร้องเพลงวันนี IF IF IF IF ้อ้าวอยู่มาเป็นช่างโมจิก็ขึ้นกายๆชื่อมาได้ขึ้นล้านังทุกคนบอกได้ลุงตอนี้ไม่น่าลุงตอนนี้ไม่ยู่มาได้ผมเป็นผู้จัดการผมดูแลเพื่นได้แล้วถ้าผิดคุณรับผิดชอบแองขึ้นเลยเอขเพื่นไปได้หรอก้อเพลงวันนี้ว่คนมาต้องเล่ขึ้นนีครับยังทุกคนหวานนี่ร้องเพลงงอนคุณนี้เราครับเราไปแจกอันนี้เลยไปได้ได้ได้ลุงตานนี่ได้เลยขึ้นจับเลยจัไรเนาะ อะไรตัวแย่ๆไอ้เอวะฮะอะไรลูกไอ้ไอ้เอี่ยอ้เล่ามาเหมือนว่าลูกไม่อยู่เขาเขาไม่อยู่รัสเซียกันแบบนี้สอนกันแบบนี้ไม่ได้ขอตอนลูกเขคือเขามาเป็นจมูกเขาบอกเขาอยากดันที่เด็กเด็กอยู่ตรงไหนก็บอกเขาว่าสูงเรือยังได้มีหลายรูปแบบไม่ต้องมาขึ้นควบงหลางกูแต่เขาบอกจางว่ากูหยุ่านแล้วไม่แต่เขาพ่อจ๋าก็ไม่สามารถรู้เขารู้ว่าตรงนี้อาชีพมัน มันดูยัดฟิวเยือเขาไม่จำได้กรลว่านผมอยากมาเสี้ยวไรอีกทำไปได้เลยนะร้านที่ึงขึ้นไปแล้วคุก่างไปแล้วรอบเลยเราเข้าใจลุงกับต้นตัวเก็คือเราตั้งใจก็คือเขามาเติมเพชรูรู้ทุกวันบันนี้ยูก็รู้อยู่ใช่ไหมเขาเล่นจอมากเก็ตั้งใจเชื่อผมผมบอกต้นผมก็ไม่คิดไรอยู่อ่ะเชื่อผหวันนี้ผมเล็บลงมาเลยึงเล่บลงมาเดินฟงขึ้นได้่ะมันเล่บลงมาผงอยากพูดกันเอง มึงไปไนเอ่ยอ้เอ็งไอ้เองเว้ยไโโหอเอาไงเอาคุยะไรอีกง่ง้เอ๊ะง่วงแล้วง่แล้วไอ้เ้โอยนมึเป็นใครใหญ่บมจะเสัไอีกเดินเกอง้งรูจะเต็มทีโวยเอ๊ะตอนนไมึงเคนเนี่ยโ้ไอ้เ้งจะไปก่อนอยู่ตรงนี่ไปเนี เไนี่้มาพรมดีใีดนเจ้ีเจคุณวตาเลียวจิถูกสุดงเรเจาอแม่กมีนงไปไปไปเอ็กงโรงนะไเอกอ่ะไอ็แล้วลงหาแล้วลงยิงไว้คดออกแล้วไอ้ต้นลูกกงนอ่ปเอต้นลอ่าไม่ชื่อลูก